ขยินราชสกุลสาวเอ่ยขึ้นเสียงแผ่วต่ำเป็นการยังความเห็นของอดีตในบ้านหล่มช้างมีอะไรที่เจ้าคิดว่าพรานใหญ่จะต้องมุ่งเข้าหาหนครหลับเป็นจุดหมายแรกในเมื่อเขามีงานจะต้องทำตามคำสั่งของนายจ้างของเขาเป็นเรื่องใหญ่เจ้าไม่คิดเหรอว่าเขาจะต้องถูกควบคุมตรวจสอบเส้นทางโดยนายจ้างเขาทุกระยะ เลยไม่ยอมให้ออกนอกเส้นทางเสียเวลาล่าช้าเลยถ้าเส้นทางนั้นไม่ใช่เส้นทางที่นายจ้างเขาต้องการนาย <c oughs> หญิงในป่าแม้ว่าพรานใหญ่ระพินจะเดินไปในเส้นทางไหนพวกนายจ้างผิวขาวจะรู้เลยและในป่าใครจะมาตรวจสอบเส้นทางเดินรู้ดีไปกว่าตัวนายระพินเองได้ถ้าคนคนนั้นไม่ใช่แง้ทรายหรือว่าลุงอิน พวกผิวขาวทุกคนพอออกจากหุ่นเสือรองแล้วก็เหมือนกับคนตาบอดนั่นแหละนายหญิงทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ชีวิตต้องฝากไว้ในกรมือของนายราพินคนเดียวหราะนายหญิงเชื่อ ว, ว่าจะมีใครมาตรวจสอบคุ้มการเดินทางของพรานใหญ่ได้ใครเป็นคนนำทางนายราพินหรือพวกผิวขาวพวกนั้นล่ะมันเป็นคำพูดที่ฉลาดและใกล้เคียงความจริงที่สุด ชนิดที่ดารินหรือคนอื่นๆก็ไม่อาจจะเถียงได้ขยินเว้นระยะกรอกบันดีที่พรานชดรินไปให้ผ่านลำคอสองอึกแล้วกล่าวต่อไปขยินน่ะไม่ใช่แง้ซายขยินตามความคิดของพรานใหญ่ไม่ทันไปหมดทุกฝีก้าวรอกบแต่ขยินก็พอจะรู้นิสัยพรานใหญ่ดีพอควร ที่ขยินแน่ใจว่าเขาจะต้องมุ่งเข้าหานครหลับเป็นจุดแรกก็เพราะมันไรและบริวารของมันที่คอยติดตามรบกวนคณะของเขาอยู่ตลอดเวลาเป็นต้นเหตุคนอย่างนายระพิน่จะเลี่ยงต่อภัยทุกอย่างถ้าเลี่ยงได้แต่ถ้าเลี่ยงแล้วไม่พ้นเขาจะมุ่งเข้าชนทันทีขยินอ่านรูปการตามที่เคยรู้จักคนคนนี้ มันไรเป็นอุปสรรคสําคัญในการเดินทางของเขาไม่ว่าจะมุ่งไปทางใดเพราะฉะนั้นเชื่อเถอนะนายรพินจะต้องหาทางกําจัดทําลายมันลงให้ได้ซะก่อนมิฉะนั้นก็จะเดินทางต่อไปตามที่เขาต้องการไม่ได้และการจะทําลายมันไรได้หรือไม่ได้ก็ต้องมุ่งเข้าถิ่นของมันซะก่อนคือนครหลักและนี่ก็คือความเชื่อของขยิน ที่ว่านายราพินจะต้องมุ่งไปที่นั่นก่อนเขาอาจจะพลาดท่าเสียทีหรืออาจชนะมันได้ขึ้นอยู่กับโชคเคราะห์และฝีมือของเขาถ้าเขาทําลายล้างมันไตรลงได้เขาก็เดินทางต่อไปได้แต่ถ้าเขาพลาดสู้มันไม่ได้ตัวเขาและพวกเขาก็คงจะพินาศกันหมดสิ้นที่นครหลับอันเป็นถิ่นของมันไตรนั่นแหละ ถ้าขยินเป็นพรานใหญ่ขยินก็จะต้องไปที่นครหลับก่อนเหมือนกันรบในถิ่นมันให้รู้ดีรู้ชั่วย่อมดีกว่าที่จะคอยแต่หลีกเลี่ยงแล้วปล่อยให้มันดักทำร้ายไปทุกระยะไม่รู้จักจบสิ้นขยินกล่าวช้าช้าด้วยภาษาของมันแต่ทุกคนก็เข้าใจได้ดีพอสมควรจากความที่เคยคลุกคลีใกล้ชิดกันมานาน เชิาพยักหน้าช้าๆเขาเองก็เพิ่งจะได้ยินเจ้าองคครีมานแห่งลมช้างพูดาชาฉลาดเป็นกิจจลักษณะครั้งนี้เป็นครั้งแรกขยินเจ้านี่เป็นคนหลักแหลมไม่ใช่น้อยทีเดียวนะพวกเราทุกคนก็มีความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับเจ้านั่นแหละเจ้ามีความเห็นหรือมีความคิดอะไรจะบอกกับเราอีกไหมล่ะ คืนนี้พวกเราขอให้เจ้าได้แสดงความคิดเห็นในฐานะผู้ร่วมปรึกษาด้วยพระเจ้าก็เป็นบุคคลสำคัญในการเดินทางในครั้งนี้อย่างเต็มที่คนหนึ่งมีความคิดอ่านยังไงก็อย่าได้เก็บไว้คนเดียวลองบอกให้พวกเรารู้บ้างถือว่าเป็นข้อหารือกันพวกฉันมาที่นี่ไม่มีรบพินไม่มีแงซายไม่มีสางปามีก็เพียงลุงอิน แผนชดแล้วก็ขยินเพียงสามคนเท่านั้นที่จัดได้ว่าเป็นผู้ชำนาญป่าที่สุดขอ้รู้เถอนะว่ามาครั้งนี้น่ะขยินไม่ได้มาในฐานะผู้แบกหามแต่เป็นคนหนึ่งในคณะผู้นำทางและที่ปรึกษาของเราแรกแรกที่เราเริ่มออกเดินทางมาน่ะมันยังไม่มีปัญหาอะไรมากนะักเราก็เลยยังไม่มีอะไรที่จะต้องให้ขยินช่วย แต่ในนรกดำนี่ขยินจะทำตัวเป็นแต่เพียงผู้ทำเฉพาะตามคำสั่งอย่างเดียวน่ะไม่ได้แล้วจะต้องเป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษาเราด้วยผิดถูกยังไงเราก็จะได้ช่วยกันคิดอ่านแล้วก็หลายๆความคิดหลายๆความชำนาญมันย่อมดีกว่าให้อยู่ในข้อตัดสินใจของใครแต่เพียงคนเดียวอดีตท่านทูตทหารบกพี่ชายใหญ่ของคณะ ใช้หลักจิตวิทยากับเจ้านักเลงโตแห่งไพร ล, ลึกอย่างเต็มที่ซึ่งมันก็ได้ผลเขาพยายามที่จะเข้นเอาความรู้ความสามารถในเชิงไพรของมันออกมาใช้ให้หมดโดยไม่มองข้ามไปซะเพรายอมรับในความจริงว่าในป่าแล้วลูกป่าย่างแท้จริงเช่นขยินจะต้องมีอะไรที่เหนือกว่าคนในเมืองอย่างพวกเขาหรือคนครึ่งป่าครึ่งเมือง อย่างพวกลูกหาบอย่างแน่นอนเพียงแต่เขาจะเปิดโอกาสให้แกมันหรือไม่เท่านั้นในายใหญ่และพวกเจ้านายทุกคนทำให้ขยินภูมิใจมากขยินพูดออกมาประสาซื่อขยินรู้ตัวดีว่าไม่ฉลาดเท่าครึ่งหนึ่งของแง่ทรายหรอกไม่เก่งถึงหนึ่งในสิบของลุงอิน สติปัญญาก็ไม่ได้หนึ่งในร้อยของพวกเจ้านายทุกคนแต่อย่างน้อยขยิงก็รู้จักในเรื่องป่าดงรู้นิสายใจคอของนายระพินที่เรากำลังออกติดตามอยู่เดี๋ยวนี้ตามความคิดของขยินงนับตั้งแต่ออกจากห้วยเสือร้องมาพวกนายจ้างผิวขาวทุกคนย่อมเปรียบเสมือนคนตาบอด อย่างที่บอกไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างในการเดินทางคืบหน้าจะต้องฝากไว้กับ น, นายรพินคนเดียวต่ให้มีแผนที่หรือเครื่องมือนำทางดีวิเศษสักแค่ไหนก็ตามนายรพินมุ่งนครหลับแน่เพื่อหยุดไอ้ผีดิบมันไรก่อนอื่นเขาอาจจะบอกให้นายจ้างผิวขาวรู้ว่าเขาจะมุ่งไปทำไมหรืออาจไม่บอก โดยนำบาบหน้าไปเฉยๆก็ได้ซึ่งถ้าเขาไม่บอกพวกนั้นก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าเขาจะนำไปไหนเพื่ออะไรนอกจากเดินตามไปอย่างเดียวสุดแต่ว่าเขาจะพาไปทางไหนใครจะมีปัญญาทักท้วงหรือชี้ทางอื่นได้ล่ะขยิ่นเชื่อยอย่างนั้นอืมไอ้เจ้าหนี่ไม่เลวหรกครับพี่ใหญ่มันน่าจะพูดถูกนะเนี่ย คุณชายอนุชาหันไปกล่าวเบาๆกับพี่ชายใช่ใช่ยินเราก็คิดอย่างนั้นแหละแต่ก็อยากจะฟังความเห็นของมันดูซึ่งก็สรุปได้ ว, ว่าตรงกันอ่ะว่าแต่รู้เงีนเหอะเห็นด้วยไหมที่พูดมาเนี้ยชายันเอ่ยขึ้นบ้างและประโยคท้ายหันไปถามครูพรานนายทหาร ไอ้โจรป่านี่มันไม่งโง่หรอกเว้นไว้แต่มันจะแกล้งทําเป็นโง่เท่านั้นแหละในบรรดาชาวดงลึกกันจริงๆแล้วน่ะไอ้ขยินมันเหนือกว่าพวกหัวหน้าเผ่าอื่นๆทุกคนแล้วก็มีอํานาจเหนือเผ่าคนดงคนดอยทั้งหลายมากนักสมัยก่อนนี้ก็มีอยู่แค่สามคนเท่านั้นแหละที่จะผ่านไปที่ลมช้างได้โดยปลอดภัยคือตัวหนานอินเอง ที่มันรู้จักมัตะเล็กแต่น้อยน่ายรพินแล้วก็แง่สายนอกนั้นเนะี่ยผ่านไปทางนั้นละมันต้นเอาทรัพย์สินเ้าหมดดีไม่ดีราคาทิ่เงเอาซะด้วยมีใครกล้าผ่านไปทางหลมช้างถิ่งของไอขยินมั่งละ่ะโดยเฉพาะพวกนักเดินป่าทั้งหลายเว้นก็แต่พวกชาวดงชาวโดยด้วยกันเองคราวที่พวกเจ้านายผ่านไปทางลมช้างก่อนเข้านรกดําครั้งนั้น ถ้าไม่ใช่เพราะมีนายรพินไปด้วยก็เห็นจะต้องทำศึกใหญ่รบกับมันแน่ๆเพราะมันคงไม่ยอมไม่ผ่านแล้วก็โชคดีเท่าไหร่แล้วที่นายรพินหรือพวกเจ้านายทั้งหลายลาโครงมันให้บกนรกดำไปได้ไปด้วยได้แล้วคราวนี้ก็เป็นบารามีของพวกเจ้านายเหลือเกินที่มีอะไรมาดนใจให้มันเดินทางมารับใช้อีกครั้ง นันินยอมรับจริงๆว่าอุ่นใจมากที่ได้มันมาร่วมอีกค น, นเพราะอย่างน้อยมันก็หนุ่มกว่านันอินหูตามันก็ดีกว่าว่องไวแข็งแรงกว่านาันอินล่ะนันอินบอกมาเป็นภาษาไทยซึ่งขยินฟังไม่รู้เรื่องทำหน้าเหลือลาถามมาว่าลุงลุงว่าอะไรครูพรานผู้เฒ่าก็บอกมันหน้าตาเฉยว่า ก็ช่วยรับรองก็เจ้านายว่าเองน่ะเองกาไอ้เท่าบุญคำแล้วก็ฉลาดพอๆกันแงสายเป็นไงกักพูดถูกไหมวะไอ้เคยยินถ้ยยินยิ้มไม่สนิทนักจุ ป, ปากเบาๆเกาต้นคอหลุงโกหกลุงมดา่าข่าเจ้านายฟังจะละมั่งทุกคนหัวเราะขึ้นอีกครั้ง นันอินหันไปทางพวกเจ้านายเห็นหรือยังเจ้านายนี่แหละความฉลาดของมันโง่ที่ไหนหเจ้าขยินเนี่ยอะงั้นก็เป็นนั้นว่าความคิดของขยินตรงกับของน้อยแล้วก็ของพวกเราทุกคนสินะเชิดากล่าวขึ้นกับพักพวกคราวนี้มันก็อยู่ที่ว่าระหว่างฝ่ายเรากับฝ่ายราพิน ใครจะเข้าถึงนิทรานครก่อนเท่านั้นและถ้าสวรรค์เข้าข้างเราเราอาจพบฝ่ายระพินในนครร้างเต็มบริเวณมนลีลับนี่ก็ได้แต่นี่ก็เป็นเพียงแค่ความหวังเท่านั้นสิ่งที่เราจะต้องวิเคราะห์หรือตั้งสมมุติฐานอีกอย่างหนึ่งก็คือการเดินทางครั้งนี้ของระพินเขาใช้อะไรเป็นเครื่องนำทางยังใช้ลายแทงของมังมหานรธาเดิมอยู่หรือเปล่า ประโยคหลังโปรโยถามไปยังทุกคนไอจะใช้หรือไม่ใช้อย่างอื่นหรือไม่เขาก็ต้องมีลายแทงเก่าแก่ฉบับนั้นติดตัวมาด้วยแน่ๆละ่ะรวมทั้งแผนที่ที่เขาทำขึ้นใหม่ในเที่ยวขากลับด้วยไอลําพังแผนที่ภูมิศาสตร์ที่ฝ่ายอเมริกันทาไวเชือ่อเขาไม่ได้ผลนะ่ะและเราพินก็คงไม่สนใจหรอก เมื่อล่วงเข้านรกดำอันเป็นดินแดนในสันทยาแล้วแบบนี้ช้ยยันให้ความเห็นส่วนตัวขึ้นแต่ลายแทงฉบับนั้นนะมันบอกทิศทางที่มุ่งไปเทือกพระศิวะแล้วก็มรกรนคร น, นะมันไม่ได้เกี่ยวกับจุดที่เครื่องบีห้าสบสองมันอับปางนี่อนุชาแย้งเบาๆเอานะ่าถึงไม่เกี่ยวกับตำแหน่งตกของเครื่องโดยตรง มันก็จะต้องมีประโยชน์ในด้านส่วนประกอบอัญชีบอกสถานที่และภูมิประเทศแวดลอ้อมซึ่งจะให้รู้ทิศทางการไปและเส้นทางกลับในไงมันก็ดีกว่าที่จะงมไปในความมืด อ, อยู่วันยังค่ำว่าได้เลอระหว่างเส้นทางจุดหมายต่างๆในลายแทงฉบับนั้นเครื่องมันอาจจะตกอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งก็ได้ถ้าราพินไม่โง่นะ เขาจะต้องเอาลายแทงฉบับนั้นติดตัวมาด้วยชัยยันว่านี่ใครคิดบ้างไหมว่าการเดินทางจะถูกควบคุมและสั่งการโดยศูนย์บังคับการที่คอยควบคุมอยู่ตลอดเวลาอนุชาถามขึ้นอย่างคลางแคลงใจต่อไปเอ๊แต่พี่ว่ายากนะเรื่องนี้เนาะมันยากเชษฐาเอือยอย่างตริตรอง จากการติดตามรอยมาทุกระยะเรากรองข่าวได้แล้วว่าเครื่องมือติดต่อของพวกเขาใช้การไม่ได้ผลเท่าที่ควรนักและป่า น, นี้มันก็อาจจะหมดสมรรถภาพไปแล้วก็ได้ซึ่งก็แปลว่าทั้งชุดขาดหายไปจากความรู้เห็นของศูนย์ควบคุมที่ติดตามวงการอยู่ด้วยวิทยุเครื่องรับส่งนะคราวนี้มันก็เป็นเรื่องที่รพิงจะต้องใช้ความสามารถของเขาเองแล้วล่ะ รตะ ว, ว่าการติดต่อกับสูงควบคุมไร้ผลไปแล้วนี่ทำไมเขาไม่คิดถอยหลังกลับกันสักทีนะเพราะความหวังมันไม่มีเหลืออยู่อีกเลยแล้วจะรุดหน้าไปสู่ความตายทำไมอดิพรานชดบนออกมาเหมือนจะกล่าวกับตัวเองพร้อมกับโครงศีสัจช้าดารินวราริศพูดสงบปากคำอยู่นานเม้มริมฝีปากแน่นตาแดงขึ้นมาอีก นั่งซึ่งนิ่งอยู่คนเดียวหลอนรู้นิสัยของรพินดีเหนือใครทั้งสิ้นคนคนนี้ลงตั้งใจจะทำอะไรแล้วไม่มีวันที่เขาจะหันหลังกลับหรือทอ้อถอยต่อให้ความตายมาขวางหน้าเห็นอยู่ชัด ๆ, ๆก็จะก้าวไ ป, ปเผชิญหน้ามันจนได้ลึกลงไปกว่านั้นหลอนแอบคิดอยู่คนเดียวเงียบๆใครจะรู้ได้ อาจมีอะไรบางอย่างเป็นจุดบันดาลใจให้เขาต้องร่วมหัวจมท้ายกับอเมริกันคณะนี้เหมือนอย่างที่เคยปฏิบัติกับคณะของหล่อนเมื่อครั้งไปตามพี่ชายกลางก็ได้หนึ่งในสองของคณะอเมริกันสาวสวยที่เป็นสายลับซ i a อันร่วมทางมาด้วยนั่นแหละและถ้าความระแวงของหล่อนไม่ผิดก็น่าจะเป็นคริสติน่ากรูบิน แล้วก็สะบัดหน้าข่มน้ำตาขับไล่ความคิดอคตินั้นออกไปซะช่างจะเป็นด้วยอะไรก็ที่ทำให้ยอดชายของหล่อนบากบันต่อไปโดยไม่คิดชีวิตก็ช่างเถอะหน้าที่ของหล่อนก็คือจะต้องตามเขาจนกว่าจะพบแล้วเอาตัวรึกกระดูกปรบคืนมาให้ได้แต่อ น, นิจจา นี่เขาช่างไม่รู้บ้างชิวเหรอว่าคุณหญิของเขากําลังติดตามมาด้วยความยากลําบากชนิดยาดเหงือแทบจะเป็นหยุดเลือดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทําไมถึงไม่เข้าไปเดินจิตเดินใจให้เขาสะดุดใจคิดบ้างและทาแม้เขาจะรู้ว่าดารินกําลังสมสารติดตามมาเขาจะหยุดรอ หรือหวนคืนหลังกลับมาหาหรือไม่นะคิดถามตัวเองแล้วก็ยากที่จะสะกดน้ำตาไว้ได้ราชสกุลสาวถอยพระจากวงสนทนาหารือเข้าไปประจำยังที่ของหล่อนแล้วเอนกายลงนอนโดยบอกกับพี่ๆและเพื่อนว่าหล่อนรู้สึกเพลียและง่วง ขอเข้านอนก่อนไม่มีใครคัดค้านอะไรมันเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะหลบซ่อนปิดบังความอ่อนแอของจิตใจซึ่งบางขณะมันก็เกิดขึ้นอย่างสุดที่จะฝืนทนได้มือทั้งสองประสานกันวางอยู่บนสวงอกตาไม่ได้หลับแต่ทอดมองดูเพดานของเวิง้งหินเตี้ยๆที่เข้ามาหลบพักนอนกันอยู่อย่างปราศจากความหมายปล่อยความคิด ล่องลอยกระเจิดกระเจิงไปไกลย้อนระลึกไปถึงวันคืนในอดีตอันผ่านมาไม่นานนี้นักสมัยที่หลอนร่วมพจนภัยร่วมชีวิตอยู่กับเขาผู้นั้นท่ามกลางมาหันตภัยทุกชนิดรอบด้านมันเพียรพร้อมไปด้วยทุกรสชาติที่ชีวิตสาวของหลอนไม่เคยผ่านพบมาก่อนทะเลาะบอกแวง ปะทะวาจากันอย่างรุนแรงต่อมาค่อยๆแปรเปลี่ยนมาเป็นความเข้าใจเห็นอกเห็นใจแล้วก็ความประทับใจอย่างดื่มดำหล่อหลอมดวงจิตและ ว, วิญญาณเข้ามาพันนึกแน่นเป็นวิญญาณเดียวกันเกลียดหน้าก่อนแล้วก็กลับมารักแสนรักภายหลังมันเกิดขึ้นบนเส้นทางของป่าใหญ่ไพรกันดานนั่นเอง เป็นความรักที่บริสุทธิ์สะอาดหมดจดโดยไม่มีอะไรเคลือบแฝงเลยตลอดทั้งชีวิตนี้ถ้าแม้ว่าหล่อนจะยังมีลมหายใจอยู่ต่อไปไม่มีวันที่หล่อนจะสลัดเขาพ้นไปจากหัวใจได้เป็นรักแท้ที่สูงค่านักอันหล่อนจะพึงมีให้กระชายคนหนึ่งโดยไม่คิดฝันมาก่อนและเขาเอง ก็คงจะเช่นเดียวกันหล่อนยังทราบได้จากพฤติกรรมที่เขาปฏิบัติตลอนมาทุกระยะมันพิสูจน์อย่างแจ่มชัดเหลือเกินสำหรับสุภาพบุรุษไพรผู้ตำศักแต่สูงด้วยมโนธรรมและจริยธรรมผู้นั้นเมื่อใช้สติปัญญาเข้าใครครวนไตรตรองออกมาได้แล้วเช่นนี้ยังจะมีอะไรอีก ที่หล่อนจะต้องไปมัวคอยวาดวันระแวงแคลงใจในความมั่นคงของเขาอยู่อีกล่ะดารินค่อยขมใจสงบความฟุ้งซ่านลงได้ไม่มีอะไรที่หล่อนจะต้องคอยกังวลอีกแล้วสำหรับนายจ้างสาวสวยอเมริกันทั้งสองคนที่ร่วมทางไปด้วยเขาจะไม่มีวันทรยศต่อหัวใจรักของหล่อนอย่างแน่นอน ปัญหาที่จะมาคิดในข้อนี้ออกไปได้เลยบอกกับตนเองเช่นนั้นมันก็เหลืออยู่แต่เพียงประการเดียวคือความปลอดภัยในชีวิตของเขาซึ่งหล่อนและคณะกำลังติดตามเพื่อกอบกู้อยู่ในขณะนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือขณะนี้เขาอยู่ที่ไหนแน่มีทางตามทันตามพบหรือไม่ พิจารณาจากสิ่งแวดลอ้อมและหลักฐานที่ค้นพบตลอดจนกระแสข่าวต่างๆหล่อ น, น่าจะกระชั้นชิดเข้ามามากแล้วแม้ว่าเขาจะล่วงหน้ามาก่อนเป็นเวลาถึงหนึ่งอาทิตย์ก็ตามแต่การจะติดตามเขาเข้าไปในปา่าหลงสำรวจที่เรียกกันว่านรกดำหรือดินแดนอันมหัศจรรย์ลี้ลับนี้มันเปรียบไม่ผิดอะไรกับการง ม, มเข็มในมหาสมุทร เพราะอาณาเขตป่ามันกว้างขวางเหลือเกินซ้ำยังดูเหมือนจะมีเคราะห์กรรมมาขวางกัน้นบังตาไว้ขณะนี้คณะของหล่อนไม่ได้แกะรอยเขาแล้วแต่เป็นการพยายามอ่านใจและก้าวสกัดโดยใช้ความคาดคะเนเอาเท่านั้นห่วงใหญ่เน็ดเหนื่อยท้อแท้เลื่อนลอย แต่ก็ต้องมุมานะสารพัดความรู้สึกประดังประเดขึ้นมาสุมอยู่ในหัวอกหัวใจระพินมุ่งนิทรานครแน่เรอแล้วระหว่างเขาตับหล่อนจะมีจุดพบโดยไม่ได้นัดหมายกันที่นั่นอย่างที่หวังไว้หรือไม่อีกประการหนึ่งถ้าเขามุ่งเข้าหานิทรานครจริงใคร จะเหยียบเข้าสู่แดนอันหน้าสะพึงตัวนั้นก่อนกันจิงยูหล่อนมีนันอินและขยินมาด้วยแต่ก็ยังวางใจด้านงมมหาสมุทรหาจุดหมายไม่ได้นะักสำหรับรบพินควรจะต้องแม่นยำต่อเส้นทางและน่าจะต้องบุกเข้าถึงก่อนฝ่ายหล่อนแน่นอนซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็แปลว่าฝฟาหล่อนจะต้องไล่หลังไปเรื่อย ไม่มีวันที่จะตามทันเพราะเขาย่อมชำนาญในเส้นทางเหนือกว่าทางด้านหล่อนอยู่แล้วซ้ำในดินแดนอาถรรพ์เต็มไปด้วยอันตรายขีดสุดนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างแม้ทางด้านหล่อนก็เช่นกันหากบุกเข้าถึงจริงก็ไม่มีอะไรมารับประ ก, กันได้ว่าหล่อนและพวกทุกคนจะรอดพ้นเงืเง้อมเงาภัย อยากจอมผีดิบมันไรไปได้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างก็สุดที่จะเดาห้าคนของพวกหลอนยังคงปรึกษาพู้จากันนึมงงามึงำาฟังไม่ถนัดนักแต่พอจะจับข้าวกระแสะความได้ว่าพี่ชายใหญ่ชา ย, ยันและขยิ่งผู้เคยผ่านนิทรานครมาแล้วได้อธิบายเพิ่มเติมให้พี่ชายกลาง และนันอินทราบถึงแดนมหันตภัยนั้นตลอดจนรายละเอียดต่างๆของเหตุการณ์ที่ผจญกันมาในครั้งนั้นเพื่อให้อนุชาและพรานครูผู้เฒ่ารู้ล่วงหน้าเป็นพื้นฐานไว้ก่อนครูใหญ่ต่อมาเชษฐาก็สั่งให้ทุกคนเข้าพักนอนนันอินและขยิงพระออกไปยังกลุ่มพวกลูกหาบที่นอนเรียงรายกันอยู่ทั้งด้านปลายเท้า ของฝ่ายเจ้านายไม่ห่างออกไปนักโดยมีกองไฟสูงอยู่ตรงกลางเชษฐาชายันและอนุชากลับเข้ามายังที่นอนต่างเข้าประจำที่ก่อนจะเอยนกายลงอดีตท่านทูตทหารบกพี่ชายใหญ่ช่างโง่เข้ามาดูที่หน้าของหล่อนดารินหลับตาลงก่อนแล้วเมื่อพักพวกเคลื่อนเข้ามาืหมหลับไปแล้ว คืนนี้รู้สึกจะหลับง่ายได้จริงเสียงพี่ชายใหญ่เอ่ยขึ้นเบาๆอย่างปราณีแล้วก็มีการเคลื่อนไหวอยู่ข้างๆตัวทั้งสองด้านที่ขนาบอยู่หล่อ น, นอนสงบเฉยเหมือนหลับไปจริงๆแต่ประสาททุกส่วนตื่นพร้อม <c oughs> ม่ใช่หลับตอนนี้แล้วแอบตื่นขึ้นมาเดินเพ่นพ่านตอนที่พวกเราหลับกันไปแล้วนะชายันผู้นอนอยู่ทิพฟ้าสุด บอกมาปนหัวรอหื อ, อ, อมันก็ต้องช่วยดูกันหน่อยแล้วล่ะจิาาตประสาทของน้อยในการเดินทางครั้งนี้ไม่ค่อยจะดีนักแล้วรู้สึกจะมีอะไรลึกลึกลับลับที่เราดูกันไม่ออกตลอดเวลารู้สึกว่าเขาจะมีอะไรผูกพันอยู่กับเจ้าผีดิบมันไตรยังไงผิดกน้นดูไม่กลัวมันเลยซ้ํายังพยายามที่จะเข้าไปหามันให้ได้ออจริงจริงนะ ให้รบกันใดรบเสาทุกชนิดนี่ฉันยังรู้สึกว่ามันสบายใจกว่ามารบกับเจ้ามันไรวะอาถันพ์พระเวชของมันนี่แล้วเราก็ไม่รู้จุดประสงค์ของมันด้วยว่ามันจะเอายังไงกับพวกเราแน่เพื่อนชายผู้ร่วมเป็นร่วมตายมาตลอดอย่างชนิดไม่ยอมทอดทิ้งเอ่ยมาอีกพร้อมกระถอนใจเอาเถอเอาเถอแล้วก็รู้เองแหละว่ามันจะเอายังไงกับเราเมื่อถึงเวลาอนุชาบอกมาง่าย เออนี่งครั้งสมมุตินะสมมุติว่าเราจะต้องมุ่งเข้าหามรกรนครกันอีกครั้งเธอคิดว่าเธอขนานอินจะไปถึงได้ไหมเนี่ยในความเงียบชั่วขณะระหว่างนอนเป็นแถวน้ากระดานกันอยู่นั้นพี่ชายใหญ่เอ่ยถามขึ้นพี่ใหญ่ครับผมเชื่อนะครับว่าผมกับลุงอินนําไปได้ครับแม้จะไม่สู้จะสะดวกนักก็ตาม เส้นทางของผมกับลุงอินมันก็ลัดทางกว่าของระพินที่เคยใช้ซะอีกก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วอ่ะเส้นทางเดินของผมไม่ผ่านพบอะไรที่มันเป็นสิ่งลี้ลับเหรือเชื่อเหมือนอย่างที่ระพินเคยนำทางคณะของพี่ใหญ่เลยเราผ่านแต่เฉพาะภัยธรรมชาติและความกันดานของเส้นทางเดินเท่านั้นแหละก็มีหยุดจุดเดียวของความลี้ลับที่ผ่านตรงกันคือนครลิงแห่งภูเขานินละการ ของวายาและตำแหน่งบำเพ็ญศีลอย่างประหลาดของมหาฤาษีกลธัญญะเท่านั้นวายากลิงใหญ่ในถิ่นนั้นก็เป็นมิตรกับผมและลุงอินดีและผมก็ไม่ต้องไปให้ถึงเนินพระจันทร์เพื่อให้ตรงกระขึ้นห้าขเดือน12บสองเพื่อรอให้ปรากฏตการทางธรรมชาติตามคำสั่งในลายแทงฉบับที่ระพินถืออยู่ด้วยถึงเนินพระจันทร์เมื่อไหร่ผมก็หาทางขึ้นเทือกพระศิวะได้ทันที แล้วพี่ใหญ่ถามทําไมเหรครับเปล่าก็ถามไปเรื่อยๆงั้นแหละถ้าแน่ใจว่าจะนําไปได้ก็ดีแล้วผมว่าพี่ใหญ่น่าจะมีจุดบันดาลใจอะไรสักอย่างเ น, น, นะที่ถามผมแบบนี้จะไม่แสดงความคิดให้ผมรู้ไ้มั่งเหรอครับพี่ใหญ่ภายหลังจากนิ่งไปอึดใจใหญ่เชิดทาก็เอ่ยเสียงแผ่วมาว่ากลาง พี่มีสังหรณ์อะไรบางอย่างนะในชั้นต้นนี้เราหวังที่จะสกัดดักพบระพินที่นิทรานครแต่ถ้าไม่พบที่นั่นหรือตามไม่ทันเราก็น่าจะพบเขาในมรกรนครของจักรราษนะเฮ้ยพูดไปเล่นไปนาะเชิทาเทือกพระศิวะนะสุดขอบล่าป่าหิมะพานแล้วถึงแม้เราจะเคยเหยียบมาแล้ว แต่มันไม่ใช่ของง่ายที่จะไปถึงนะ่ะชยันอุทานแทบจะผุดลุกขึ้นนั่งอา้าวชยันก็กางบอกอยู่นี่ไงว่าเขาก็ลุงอินพาไปได้อย่างสบายไงอ่ะแล้วแกคิดเหรอว่าเราพินจะมุ่งไปที่นั่นนะอา้าวก็ถ้าเครื่อง b ีห้าสิบหกมันไปตกอยู่ตรงนั้นทำไมเขาจะไม่ไปที่นั่นล่ะฮะ อ่ะแล้วทําไมแกจะแกจะต้องคิดด้วยบีห้าดิบสองจะต้องไปตกที่นั่นด้วยก็สังหรณ์ไงสังหรณ์อย่างที่บอกไว้เมื่อกี้ตามรายงานข่าวที่เราสืบได้จากคุณน้ำพลไอเครื่องมันสูญหายไปเหมือนกับหลุดออกจากโลกนี้ไปเลยขนาดค้นหาทางอากาศยังไม่พบจนต้องมาจ้างระพินให้นําทางครั้งนี้เพราะฉะนั้นเครื่องมันจะสูญหายไปไหนถ้าไม่สูญก็ไปในดินแดนสุนตยาแห่งนั้น แล้วคิดเหลอครับว่ารพินจะนำคณะของอเมริการชุดนั้นบุกไปจนถึงที่นั่นได้คราวนี้อดีตพรานชดถามขึ้นเร็วอาการง่วงแทบจะหายไปเป็นปลิดทิ้งเบื่อตาสว่างโพล่งในเงาสลัวนี่กลางเธออาจรู้จักรพินในเรื่องนี้น้อยไปคนคนนี้อ่ะนะถ้ารับงานใครแล้วเขาไม่มีวันที่งานกลางคัน จนกว่าจะสำเร็จผลหรือเขาตายซะ ก, ก่อนนั่นแหละถ้าเขาเกิดเฉลียวใจคิดว่าเครื่องมันไปตกอยู่ที่นั่นเขาก็จะต้องนำพวกนายจ้างไปให้หินจนได้แหละไม่ว่ามันทางมันจะไกลา ย, ยากลำบากแค่ไหนแล้วก็ไม่คำนึงด้วยว่ามอพบแล้วจะกู้ระเบิดได้ไหมนี่พี่ก็พยายามจะเป็นแงซายคนที่สองอยู่นั้นเนี่ยคือพยายามจะอ่านใจเขาให้ได้แต่พี่ก็ยังไม่แน่ใจนัก ว่าตัวเขาเองจะเชื่อเช่นนั้นหรือเปล่ามันก็ห้าสิบห้าสิบครึ่งต่อครึ่งก็เอาสิครับพี่ใหญ่ถ้าพี่ใหญ่อ่านรูปการไปในแบบนั้นเราก็ตามเข้าไปถึงที่ชนิดถึงไหนถึงกันเหมือนกันผมก็ลุงอินนามยยันเรมันก็น่าคิดเหมือนกันนะครับพี่ใหญ่สะกิดให้ผมต้องคิดไปในแนวนี้มากทีเดียวแต่ไม่ได้คิดมาก่อนมาคิดตอนที่พี่ใหญ่เปรยนี่แหละ เฉยๆนะว่าไงฉันน่ะไม่มีความเห็นยังไงหรอกมีความเห็นอย่างเดียวอะคือไปไหนก็ไปกันตายที่ไหนก็ตายกันเนี่อความตั้งใจของฉันตั้งแต่ตอนตัดสินใจทิ้งลูกอ่อนและเมียมากับพวกแกแล้วถ้าเข้าถึงมรกรณครได้มันก็ดีเหมือนกันเพราะฉันก็คิดถึงไอ้แ ง, ง่ทรายฤทธิกษัตริย์จักรราชรวมทั้งเจ้าสังปาเต็มทีอยากจะพบอีกสักคนหนึ่งไม่รู้ป่านนี้เป็นไงมั่ง ถ้งั้นเราก็ได้บทสรุปของการหารือในคืนนี้แล้วนะหนึ่งมุ่งเข้าหานิทรานครก่อนเพราะถ้าผ่านมันไรไม่ได้เราก็ไม่มีโอกาสเดินทางต่อไปอีกแล้วและที่นิทรานครหากยังไม่พบระพินเราก็จะตามเข้าไปในเส้นทางที่บ่ายหน้าสู่เทือกพระศิวะเลยไม่ต้องไปเสียเวลาควานหาที่ไหนอีกแล้วหัวหน้าคณะ บอกอย่างเด็ดเดี่ยวมั่นคงเสียได้ที่น้อยหลับไปซะก่อนที่จริงก็ควรจะรับรู้ในข้อตัดสินใจของพวกเราเรื่องนี้ด้วยนะชายันกล่าวยังยังไม่หลับหรอะค่ะแล้วก็ได้ยินตลอดหมดทุกท่อยกระทงความนั้นลหละเสียงเรียบเรียบแต่ชัดเจนที่สุดดังมาจากน้องสาวคนเล็กของคณะที่นอนสงบนิ่งเหมือนหลับอยู่ สามชายพงศ์ศรีสะขึ้นในทันทีอย่างประหลาดใจอุทานออกมาพร้อมกันอ่ะน้อยค่ะน้อยมีความคิดเห็นและตั้งใจอย่างที่พวกพี่ๆตกลงกันไว้แล้วทุกอย่างค่ะจากมิทราศนครถ้าเราผ่านได้ก็มุ่งเทือกพระศิวะเลยพี่กลางกะลุงอินนำทางให้ดีก็แล้วกันเฉพาะเส้นทางเข้าสู่มรกรณนครตะโถนึกว่าหลับไปแล้ว นี่ยังไม่ได้หลับเลยเหรอเนี่ยพี่ชายกลางถามอาะจริงๆก็อยากหลับนะคะแต่มันยังหลับไม่ลง ไ, ได้แต่คิดคิดแล้วก็คิดอยู่แต่ในเรื่องนี้แต่ก็คิดไม่ตกก็เพิ่งจะมาได้ไอเดียเมื่อได้ยินพี่ใหญ่พูดนี่แหละพี่ใหญ่ก็น่าจะคาดการได้ถูกแล้วล่ะค่ะนับจากตำแหน่งที่เราพักอยู่นี่เป็นต้นไปมีจุดที่เราจะพบระพินได้ก็เพียงสองจุดเท่านั้น ถ้าไม่ใช่นครผีสิงของมันไรก็เมืองในหมอกของจักรราษอันเป็นแหล่งของขุมเพชรพระอุมานั่นแหละหรือมิฉะนั้นก็ไม่พบอีกเลยหลังจากนั้นทุกคนก็เงียบไปแล้วในที่สุดก็เคลิ้มเข้าสู่ห้วงนิทรารมงนะผ่านแก่งแง่ามาตามลำดับ ราวกับแม่น้ำทั้งสายอันมีต้นทางมาจากยอดเขาสูงลิบลิขึ้นไปยังคงครางอู้เป็นดนตรีกล่อมราวพรอยู่เช่นนั้นแม้จะหลบมานอนพักกันอยู่ใต้ชะง่อนห่างไกลาจากสายน้ำไหลพอสมควรละอองไอ้น้ำที่กระจายระเหยเป็นม่านหมอกอยู่ตลอดกาลก็ปลิวเข้ามาทำให้เกิดความชืน้นยิ่งดึกก็ยิ่งหนาวสัน่น สามคนพี่น้องและอีกหนึ่งเพื่อนต่างซุกกายคลุมอยู่ภายใต้โปรงแบงเก็ตเดียวกันความเย็นมันจับเข้าไปจากผิวหนังจนถึงคั่วหัวใจจนค้างสั่นกึกๆๆพวกลูกหาผลัดกันผุดลุกผุดนัง่นงและช่วยกันก่อไฟให้ลุกโชนขึ้นอีกซึ่งก็เป็นไปด้วยความลำบากยิ่งเพราะความชื้นของละอองน้าซึ่งไม่คิดว่ายิ่งตกดึก มันจะยิ่งมีละอองเพิ่มขึ้นและรู้สึกว่ากระแสน้ำตกก็พุ่งแรงกว่าตอนเย็นนี้มากในกลุ่มพี่ๆใครจะหลับได้สนิทดีหรือไม่เพียงไรไม่ทราบได้แต่น้องสาวคนเล็กมีอการหลับหลับตื่นตื่นอยู่ตลอดเวลาหล่อนนอนตะแคงงอตัวเบียดชิดอยู่ในระหว่างขนาบของพี่ชายทั้งสอง ดูมันจะเป็นคืนที่ยาวนานเสนีกระไรครั้นแล้วขณะหนึ่งเชษฐาก็พังงกตัวลุกขึ้นมานั่งจุดสิก้าดูดไฟแดงอยู่ว่าว่าอาการของเขาดูเหมือนจะพยายามเงี่ยหูสดับจับฟังเสียงอะไรอยู่หวัวคิ้วขมวดต่อมาอนุชาก็ดึงกายขึ้นนั่งอีกคน ล้วงเอาฮีเตอร์ประจำตัวขนาดเล็กใช้พลังความร้อนจากน้ำมันไลเตอร์จุดใส่ให้ถ่ายเทความร้อนไปยังกล่องโลหะแบนๆขนาดเขื่องกว่าซิปโปเล็กน้อยเอามาอังไว้ตามใบหน้าและซอกคอส่วนชา ย, ยันก็ลุกขึ้นมานั่งเป็นคนที่สามรูดซิปจากเก็ตหนังสำหรับสูนนอนจนชิดคอและสวมถุงมือชา้า ทั้งสามชายไม่ได้ปริปากพูดคำใดกันเลยหากแต่นั่งกอดเขา่าเงี่ยหูหันมองฝากความมืดไปคนละทางจะมีก็แต่เพียงดารินคนเดียวเท่านั้นที่ยังนอนคุ้ขดตัวอยู่ให้ตายเถอะในที่สุดชยันก็เป็นฝ่ายทำลายความเงียบขึ้นมาลอย ที่หูฉันฝาดไปเปกตาก็ไม่รู้สิทำไมเหรออนุชาถามสีหน้าของเขาเครียดขึงไม่รู้สินะตังเอาเป็นว่าฉันหูฝาดคนเดียวแล้วกันถ้าแกกระเช้าถามไม่ได้ยินอะไรเลยก็กอแล้วไปเถอะได้ยินถึงได้ลุกขึ้นมานั่งพยายามฟังอยู่นี่ไงอดีต ท, ท่านทูตทหารบกบอกมาขึงขึงอัดความซิ ก, ก้าลึก ถ้า ง, งั้นสิ่งที่ผมคิดว่าผมฝันไปมันก็ไม่ใช่ฝันสินะผมก็ได้ยินกันนะเนี่ยอนุชาเอ่ยแผ่วเบาขึ้นมาอีกคนหนึ่งแล้วทั้งสามก็มองหน้ากันเงียบๆไปชั่วระยะเอาละไหนลองบอกมาสิทั้งสองคนได้ยินอะไรและได้ยินยังไงท่านหัวหน้าคณะถานขึ้นปัดแขนเสื้อดูนาฬิกา ขะนั้นมันเพิ่งจะยี่สิบสามนาฬิกาสิบสเท่านั้นอ่ะหนจะบอกมาก่อนดีกว่าชชยันจะได้ยินยังไงพรานชดพยักหน้าเกี่ยงมาก่อนฉันบอกไม่ถูกนะว่าได้ยินจากประสาทหูหรือได้ยินในจิตประสาทของตัวเองก็ไม่รู้ที่ได้ยินน่ะมันเป็นเสียงแหบๆเหมือนพ่อมดหัวเราะแววมา ความจริงเสียงน้าตกมันก็สู้ซ่าดังมากแต่ได้ยินยังไงก็ไม่รู้สิถึงได้บอกว่ามันน่าจะเกิดจากอ า, อาการประสาทหลอนมากกว่าพี่ใหญ่ผมก็ได้ยินอย่างงี้เหมือนกันเนี่ยอนุชาหันไปกระซิบบอกพี่ชายแล้วนอกจากเสียงหัวเราะแล้วได้ยินอะไรองเงี้ยในพี่ใหญ่ได้ยินหรือเปล่าละ่ะน้องชายย้อนถาม พี่ก็จับฟังมาสองสามนาทีแล้วลวมะมั้งที่แรกก็ น, นึกว่าได้ยินอยู่คนเดียวเหมือนกันนี่มันมาตรงกันเข้ากันสองคนแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้ที่เราได้ยินและตื่นมาพร้อมๆกันสามคนนี่นะมันเป็นการได้ยินที่เหมือนกันหรือไม่เท่านั้นเอ่ะไหนลองบอกมาสินอกจากได้ยินเสียงหัวเราะแล้วได้ยินอะไรแกบอกมาก่อนดีกว่ากลาง จา ต, ตรงกันฉันก็จะบอกทันทีว่าฉันได้ยินอย่างนั้นถ้าไม่ตรงกันเราต่างฝ่ายต่างบอกกันคนละทีว่าใครได้ยินยังไงชยันเกี่ยงบ้างหอไหลลงเกิดอาการขนลุกอยู่เกลียวเกลียวครั้งแรกมันเป็นเสียงคล้ายๆหมาในหอนก่อนเนะีอัญชาพูดแล้วเมมริมฝีปาก ฟังต่อไปมันมันไม่ใช่เพราะกลายเป็นเสียงหัวเราะแปลกแปกแหบห้าวแปลงแล้วก็พรา่าถูกต้องฉันก็ได้ยินอย่างนั้นแหละอต่อไปสิต่อไปสิแล้วแล้วก็เป็นเสียงกรูร้องตะโกนเรียกนะเหมือนดังมาจากขุมนรกมันเอ่ยเรียกขานนามประหลาดนามหนึ่ง ซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นนามที่ประกอบขึ้นด้วยสามพยางใช่ไหมเชษฐารีบเอ่ยขึ้นโดยเร็วเอาละพี่จะเป็นคนเอ่ยพยางแรกขึ้นมาก่อนนะแล้วเรามาต่อกันทีละคนดูสิว่าเราจะได้ยินตรงกันไหมคนแรกขึ้นต้นว่า กลางต่อพยังต่อไปสิถ้าเธอได้ยินต่อเพียงพยังที่สองเท่านั้นนะพยังที่สามพี่จะให้ชัยันเขาบอกเราจะได้รู้กันเลยว่าหูของเรานั้นไม่ฝาดไปด้วยกันทั้งสามคนถ้างั้นพยังที่สองต่อจากพี่ใหญ่ที่ผมได้ยินก็คือกลาง และพยางค์สุดท้ายของนามนี้ก็คือคาว่าคนางชายันร้องขึ้นอย่างละล่าละ ล, ะละักรวมกันแล้วก็เป็นเสียงจิตกลางคานางถูกต้องไหมเชษฐาชีหน้าทั้งสองคนซึ่งก็รับเป็นเสียงเดียวกันอย่างตื่นตื่นว่าใช่ใช่เป็นเสียงเรียกจิตกลางคานางมันเสียงอะไรกันเนี่ย ดังั้นเราสามคนก็ได้ยินตรงกันสิแล้วเข้าใจครั้งแรกว่าประสาทมันหลอนไปแต่ทําไมถึงมาได้ยินตรงกันแบบนี้ไม่มีใครอ่ะถ้าแบบนี้ไอ้มันใจแน่แต่มันกูเรียกเรียกหาใครกันเนี่ยชื่อนี้มันมันน่าจะเป็นชื่อผู้หญิงสักคนเป็นชื่อผู้หญิงในยุคโบราณนักการนะชยันอุทานออกมาอย่างลืมตัว แล้วเอื้อมมือไปเขย่าแขนดารินแรงๆน้อยตื่นเถอะตื่นเร็วก็ยังเคยนั่นแหละตื่นอยู่ก่อนแล้วตื่นก่อนทุกคนด้วยพร้อมคำตอบที่สำเนียงเหมือนคนไม่ได้หลับเลยดารินวราฤทธิ์จับแขนช ย, ยันเหนียวดึงกายขึ้นมานั่งอีกคนหนึ่งควักบุหรี่ออกมาจุดสูบ แล้วสะบัดผมเธอได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่านอกจากเสียงน้ําตกที่แรงขึ้นกว่าปกติฉันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยหล่อนบอกพร้อมกับยักไหลย่ยิ้มขึ้ขึ้น แ, แต่เราสามคนได้ยินเหมือนกันหมดนะมีเสียงโหหอนแทรกมากับเสียงน้ําตกมันฟังแล้วไม่เป็นมงคลหูเลยแล้วมันก็ขานน้ำประหลาดน้ำหนึง่ง จิตกลางคนางใช่ไหมฉันได้ยินพี่ใหญ่พี่กลางแล้วก็เธอเล่นทายปัญหาอะไรกันกลางดึกนี่ไร้าสาระนอนนะเธอลุกขึ้นมาทําไมก็ไม่รู้อะนี่ทําไม่ประหลาดใจเลยเหรอเราสามคนได้ยินเสียงประหลาดเหมือนกันหมดนะเธอจิตประสาทที่คอยระแวงระวังอยู่ของคนเราบางขณะมันก็มาพ้องกันได้เหมือนกันแหละหรือต่างฝ่ายต่างก็ถ่ายกระแสจิตส่งให้แกกัน เกิดอาการอย่างที่จิตเวทเขาเรียกว่าไซค n นิโรซิสประสาทหลอนไงหล่อนบอกเรียบๆ เ, เหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ยิ้มที่พี่พี่และเพื่อนเห็นเป็นยิ้มที่มีเลสไนเรนลับยังไงชอบกุลทำกลางเงาสลัวของแสงไฟในกองที่สาสวับแหวมเข้ามาอ่ะลองปลุกลุงอินขยินหรือลูกหาบขึ้นมาสักคนสิ แลวลองถามว่าได้ยินมั่งหรือเปล่าฉันทับรรองได้ว่าไม่มีใครได้ยินอะไรหรอกนอกจากเสียงน้ำตกครื่นคือยอยู่นี่เท่านั้นก็มีแต่เธอพี่ใหญ่แล้วก็พี่กลางนี่คิด ก, กันเองแล้วก็เกิดมาพ้องกันได้พี่ชายสองคนและเพื่อนอีกหนึ่งนั่งจ้องหน้าหลอนตะลึงดาริงยังคงยิ้มลึกลับอยู่เช่นนั้น 139เมื่อเห็นพี่ชายและเพื่อนทั้งสามคนยังนั่งเงียบงันกันไปอยู่เช่นนั้นหล่อนก็บอกต่อมาว่านี่นะคะทุกคนเคยว่าน้อยว่ามักจะเพอ้อเจอได้เห็นได้ยินอะไรอยู่แปลกๆที่คนอื่นเขาไม่เห็นไม่ได้ยินด้วยเสมอแต่คราวนี้โดยไม่ได้นัดกันไว้เลยทั้งสามคนตื่นขึ้นมาสอบทานความรู้สึกของกันและกันเอง ซ้ำยังเป็นความรู้สึกที่ว่าได้ยินเสียงเหมือนกันอีกด้วยถึงกระลุกขึ้นมานั่งพร้อมๆกันเอางี้ดีกว่านะคะตอนนี้ทั้งสามคนยังได้ยินเสียงประหลาดนั่นอยู่อีกหรือเปล่าคะเทถาชายันและอนุชากับพริตตาปริก ป, ปริบมองดูกันเองอยู่ไปมาอึดใจหนึง่งตอนที่เราลุกขึ้นมาตั้งใจจับเสียงฟังกันอยู่แบบนี้ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกแล้วละ นอกจากเสียงน้ำตกเท่านั้นรือไงแกยังได้ยินหรูอปล่ะตลางเชี่าวชัยัยนเอ่ยขึ้นเสียงไม่เป็นสุขนักทั้งสองรา ช, ชาสกุลพี่น้องมีสีหน้าอันไม่อาจจะบรรยายถูกใช่ๆช่ใ ช, ใช่ตอนนี้มันเงียบเสียงไปละแต่ตอนที่นอนอยู่เนี่ยเราได้ยินนะผมก็เหมือนกันครับพี่ใหญ่ผมก็ได้ยิน นั้นก็เชื่อตามที่น้อยบอกเถอะค่ะหูของทั้งสามคนฝาดไปแล้วก็ฝาดไปพร้อมๆกันในแนวทางเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าน้อยเป็นฝ่ายขอร้องบ้างละ่ะขอให้พี่ๆทั้งสามเลิกไปคิดอะไรถึงมันซะแล้วก็นอนดีกว่าปากหล่อนบอกให้บุคคลทั้งสามนอนด้วยน้ำเสียงปกติเรียบๆแต่ตัวเองสิยังนั่งกอดเขา่าอัดบุรีแดงอยู่วาบวาด เชษฐาชายันอนุชายักไหลขึ้นพร้อมๆกันแล้วเอ็นหลังลงตามเดิมแน่ละยังไม่มีใครหลับนอกจากนอนลืมตาโพลในสมองของแต่ละคนจมอยู่ในปลักแห่งความคิดพิศวงเชษฐานั้นสังเกตไปยังกลุ่มของพรานพื้นเมืองนันอินและขยินซึ่งนอนเรียงรายกันอยู่ใกล้ๆปลายเพลิงในเงาตะคุม่มอันกาหนดไม่ได้ว่าใครเป็นใครบ้าง ในความมืดสลัวยามนี้แต่ก็เห็นคนเหล่านั้นหลับกันอย่างสนิทไม่มีใครตื่นขึ้นมาแสดงอาการเหมือนอย่างพวกตนเลยอันแสดงว่าไม่ได้สำนึกหรือระแคะระคายใดๆทั้งสิน้นนี่บอกให้พวกเรานอนแล้วเธอละทําไมไม่นอนมัน่งพี่ชายเตือนมาดารินมองฝ่าอาไปในความมืดอันลี้ลับเบื้องนอกแล้วก้มลงมองปลายบุหรี่ติดไฟของตน ปริไปมาช้าๆพร้อมทั้งยกขึ้นอัดอีกเดี๋ยวขอเวลาฉันสุบุรีตัวนี้ให้หมดซะก่อนทุกคนกำลังคิดอยู่ในทำนองเดียวกันใช่ไหมว่าถ้าหลับกันไปหมดแล้วฉันจะออกไปเดินเพ่นพ่านตรวจ ด, ดูอะไรอยู่คนเดียวตามลำพังประโยคหลังหล่อนเอ่ยมาอย่างเดาใจถูกแล้วก็หัวเราะเบาๆ <c oughs> อย่าห่วงเลยคืนนี้ฉันจะไม่ก้าวไปพ้นปริมณฑลที่พักของเรานี่หรอก เออก็ขอให้มันเป็นอย่างนั้นเหอะแล้วก็ขออยากให้ต้องเตือนกันบ่อยๆในเรื่องนี้ด้วยละ่ะพี่ชายกลางบอกมาเสียงอุบอิบรูปปีกหมวกลงปิดหน้าอาการลักษณะนี้ของเขาดูช่างละไมระพินไพยวันสนิก ร, รายดารินเหลือบเห็นอยู่แล้วก็สะท้อนถอนใจแต่ก็คมจิตสลับนิวร น, นั้นออกไปซะนั่งกอดเขา่าดูดบุรีอยู่เงียบๆ เ, เชิดาชยยัน คอยจับสังเกตอาการหล่อนอยู่ตลอดเวลาเป็นนามที่แปลกจิตร่างคันนางเสียงชายันพึนพรรมพำออกมาเหมือนจะรำพึงกับตนเองแล้วก็น้อยซ้ำยังได้ยินเหมือนกันทั้งสามคนซะด้วย่อ้คิดยังไงใช่ตาเออคิดไม่ออกว่ะก็สัมผัสได้อย่างเดียวว่ามันลี้ลับแล้วก็แฝงไปด้ลยสน่บางอย่าง ระหว่างพี่ชายใหญ่และเพื่อนพูดกันข่าเวลาก่อนจะหลับดารินยังสงบนิ่งเฉยถูกแล้วหล่อนไม่อยู่ในฐานะที่จะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือนามนี้ให้พี่ชายและเพื่อนได้ทราบถึงสายสนกลในที่รู้ชัดอยู่แก่ใจตนเองได้เลยเพราะมันจะทำให้มากเรื่องนี่ถ้าเราดันได้ยินเหมือนเหมือนกันอีกหรือคนใดคนหนึ่งได้ยินอีกนี่จะทำยังไง ไม่ไม่พักต้องหลับต้องนอนกันเลยหรือไงเนี่ยชัยยันอยู่ในอาการบ่นอย่างวุ่นวายใจอยู่ตามเดิมเออถ้าเราหรือคนใดคนหนึ่งในกลุ่มของเราได้ยินขึ้นอีกฉันจะยิงปืนที่เราประรมน้ามนตรเตรียมไวแล้วนี่ขึ้นฟ้าสักนัดนึงอยากจะดูที่ว่ามันจะสงบเงียบไปได้ไหมพี่ชายใหญ่ของคณะบอกถึงการตัดสินใจของเขาโอ้ย ยิงไปทําไมให้มันเปลืองกระสุนล่ะครับพี่ใหญ่ถ้าเราไม่เห็นตัวมันผมนะภาวนาอยู่นี่ขอได้ยินอีกเหอะขอได้ยินเสียงที่มันส่งภาษาบอกความอะไรกับพวกเรามามากกว่านามที่เราสันนิษฐานว่าเป็นนามของผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อเราจะได้รู้อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกบ้างได้ยินนะไม่กลัวหรอกกลัวที่จะไม่ได้ยินหรือได้ยินเพียงแค่ครึ่งๆกลางๆผูกเป็นปมปัญหาชวนให้คิดแบบนี้มันําคาญใจ อนุชาพูดมาจากใต้ปีกหมวกสกลาดที่คลุมหน้าอยู่บุรีหมดตัวลงแล้วดารินดีดกระเด็นออกไปนอกเพิงพักใต้ชะง่อนหินใหญ่แต่ก็ยังซุกหน้าอยู่ในระหว่างท่อนแขนที่กอดเขา่าอยู่ในลักษณะเช่นนั้นโดยไม่เอ็นตัวลงนอนตามที่บอกไว้อีกสามชายก็ยังไม่มีใครหลักแม้ว่าจะทำจิตใจให้สงบสัก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 เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเฮยเฮยเสียงอนุชาร้องรัวเร็วปรือพร้อมกับพรวดพราดลุกขึ้นอีกครั้งติดตามด้วยเชฐาและชยันผู้ทะลึ่งพรวดยังตกใจและก่อนที่ทั้งสี่คนจะเอ่ยคำพูดใดออกมากลุ่มพวกลูกหาบและนนานอิงกับขยินก็พากันลุกขึ้นจากสภาพที่นอนกันอยู่โดยทั่วหน้าพูดอะไรกันอยู่แซ่ซําจับกระแสะความยังไม่ได้จากเปลวไฟในกองที่กองไวอันลุกอยู่วอมแวม ขยินเอาหูแนบลงกับพื้นทันทีส่วนนานอินครานตะกายเข้ามาหาฝ่ายนายจ้างอย่างรวดเร็วซึ่งก็เห็นว่าทุกคนตื่นพร้อมกันหมดแล้วนายนายรู้สึกอะไรหรือเปล่าแกถามโดยเร็วถ้ามันจะไม่ค่อยเข้าถี่อยู่นะนายชาติที่เราเข้ามาพักกันอยู่นี่มันไหวขยื่อน <an> <t une> อันนี้ฟรานชดตอบสวนไปในทันทีฟังฟังฟังฟังฟังสินาย ฟังให้ดีเสียงมันดังปีกลมาจากเหนือหัวเราสูงขึ้นไปบนหน้าผาน้ำตกกชี้มือขึ้นไปบนเพดานเหนือสีสักจากสภาพของเสียงน้ำตกสู้ซ่าที่ดังไป ต, ต่อกันอยู่ตลอดเวลาแล้วมีเสียงอีกชนิดหนึ่งปรากฏแทรกขึ้นมันเป็นเสียงคลายคลายฟ้าร้องแววมาจากเบื้องบนลั่นครืนในระยะยาวครั้งแรกก็เบาๆก่อน แล้วก็ค่อยๆถนัดชัดเจนขึ้นเป็นลำดับจนเป็นเสียงตูมตามสถานสะเทือนไปหมดราวกับภูเขาหินบนช่อชันที่สูงขึ้นไปของน้ำตกใหญ่นั้นกำลังจะถล่มทลายพร้อมๆกับเสียงน้ำพุ่งกระโจนลงมาไม่ผิดอะไรกระทำนบฟังขยินผู้เอาหูแน่พื้นอยู่ก็แผ่นเข้ามาตะโกนสุดเสียงนาหินภูเขากั้นน้าตกบ้านนี้กำลังพังสายน้าแยกจาก แนวน้าตกเส้นทางเดิมกระโจนลงมาทางด้านนี้แล <S <S ้วเพียงแค่ขาดเสียงละล่าละลักของกระยินเท่านั้นสิ่งที่เอ่ยก็ลงมาถึงตัวแล้วคลืนแรกคลื่นแรกของน้ําที่มีปริมาณอันวัดจํานวนไม่ถูกกระโจนจากเบื้องสูงราวกระเทลงมาจากกระบอกมหายักษปะทัตูมลงกับชานหินที่ทั้งหมดขึ้นมาพักอยู่จนทุกคนกระดอนระเนระนาดสวนเซกันไปหมด ของไฟและฟืนที่หามาวางเตรียมไว้ถูกน้ำาลรลกแรกที่พุ่งลงมาวาดวับหายวับไปกับตาพร้อมกับกระเซ็นสาดไปยักษโชกันไปหมดหลายคนของพวกลูกหาบที่ยังยืนแก้แก้งกันอยู่นอกชะงอนบังมุดผวาควางมีอาการเหมือนจะถูกความแรงของน้ำฉุดกระชากไปหลุดร่วงลงไปด้วยทุกคนรถ เ, เข้ามาเร็วท่านหัวหน้าคณะตะโกนก้องสุดเสียง ในขณะที่คว้าเอวน้องสาวเล็กไว้เมื่อหลอนมียการเหมือนสีสะจะปักต่ำออกไปเบื้องหนะ้ากระชากให้หลบสายน้าําอันกระโจนตูมตามลงมาอย่างบ้าคลั่งเหมือนทะเลพังอยู่เหนือสีสะนั้นผลักดันให้หลบลึกเข้าไปในซอกโพรงอันมืดมิดเสียงตะโกนของหนานอินและอนุชาที่สั่งการเอ็ดอึงไปหมดโดยบอกให้พวกนั้นหลบเข้าใต้ชะง่อนผาเพื่อให้พ้นแนวพุ่งแทงลงมาของสายน้ำ ม, มะึือมา คุณล้มลุกคลุกคลานและตะกายเขามารวมกลุ่มชยันเองขณะนี้ก็กำลังหมุนควางยังตั้งตัวไม่ติดเสยไปกระแทกนอหินร้องบอกได้แต่เพียงว่าโว้ยพอแก้วแม่แก้วมันติดอะไรขึ้นเว้ยแล้วก็ถูกกลบด้วยเสียงตูงของระลอกที่สองอันดังแรงกว่าระลอกแรกเหมือนแผ่นผาบริเวณ น, นั้นจะพลอยหลุดออกมาทั้งกระบี่ขยินแลนั้นอินกาลังเหนียวชุดรังพวกลูกหา ทมีอาการจะหลุดร่วงตามสายน้ำเชี่ยวแรงเทลงมาจากที่สูงนั้นโดยยึดไว้มัน่นหลายคนล้มลงและกำลังจะตะเกียกตะกายหูตาเหลือกส่งเสียงร้องอึง้งโกลาหลอนลามานกันไปหมดหมุดเข้าไปนายมุดเข้าไปลึกที่สุดระวังชะง่อนผาที่เราเข้ามาหลบอยู่นี่จะพังหลุดตามน้ำลงไปด้วยมุดเข้าไปงุดเข้าไปเร็วน้ำอินมีเสียงเท่าไร ก็ตะโกนออกไปแค่นั้นตัวแกเองกระชากเชือกไนลอนประจำตัวออกมามัดอย่างรวดเร็วไปกระหน่ำถึงหม้ อ, อเพื่อเป็นหลักไว้ก่อนแล้วโยนสายเชือกยาวนั้นออกไปพวกลูกครับใช้เป็นที่จับสาวประคองตัวไว้เพราะบัดนี้บริเวณชานพักใต้ชะ ง, งนน้องเจิงไปด้วยน้ําเชี่ยวกรากที่ไหลตามกระแส อ, อันพุ่งลงมาโดยแรงที่ยังเหลือค้างอยู่ก็ไหลกรอกสวนเข้ามายังบริเวณใต้ชะงอนสำเนียงเสียงคลื่นครัน การฟ้าถล่มโลกทลายดังขึ้นทุกถนนและม่านของกระแสน้ําปริมาณเป็นมือมือลูกบาทเน็ตเทกระหน่าลงมาใช่เลยเขื่อนแตกอย่างไรก็อย่างนั้นและสภาพของทุกคนยามนี้ก็เหมือนกับอยู่ใต้เขื่อนที่พังทลายเพียงแต่ว่าได้อาศัยชะงอนหินบังปะทะปะทังไว้ก่อนเท่านั้นไม่ให้ถูกกระแสน้ำโจนพัดลอยละลิ่มลงไป เสียงน้าอัน อ, อื่นๆเกลบสับพะสัมเนียงอื่นๆหมดหม่ว่าทุกคนจะตะโกนบอกความอะไรกันจนหมดเสียงพร้อมทั้งพยายามช่วยเหลือตัวเองกับช่วยเหลือกันและกันอย่างเต็มที่ไฟฉายซ้อมตรวจพวกเราเร็วแว่วๆเสียงแผดแหงกับเสียงน้ํากระโจนซักกระแทกแหน่หญินดูเหมือนจะเป็นเสียงอนุชาแล้วบัดนั้นก็มีแสงไฟฉายกราดสว่างจ้าขึ้นสองสามดวง สากไปยังพักพวกกันเก็ซึ่งบัดนี้เข้ามายัดเยียดกันแน่นอยู่ในเขตกำบังของชะง่อนอยูและกำลังถูกเชื้อาไล่ต้อนให้แทรกตัวลึกเข้าไปในช่องแคบๆเหมือนถ้ำนั้นเข้าไปอีกโดยไม่คำนึงว่ามันจะมีทางมุดเข้าไปสู่ที่ใดมีอันตรายยังไงรอคอยอยู่หรือไม่แต่ถ้ายังขืนอยู่กันยังบริเวณที่พักนอนโดยอาศัยเพียงเพิงผาอันเป็นชะง่อนบังอยู่ ล้วนมีสิทธิที่จะถูกกระแสน้ําที่พุ่งกรากลงมาโดยแรงปริมาณมหาศาลนั้นฉุดกระชากให้หลุดร่วงตามน้ําลงไปได้ทั้งสิ้นและโดยลังไฟฉายนั้นส่องออกไปเบื้องนอกบริเวณที่พวกลูกหาบเคยพักนอนอยู่เห็นแต่ม่าน้ําขาวทึบเป็นฉากกั้นไว้แล้วพร้อมทั้งละอองมัวไปหมดระวังของของพวกเราด้วยพยายามขนก็ไม่หมดเร็วดารินบาราริป ซึ่งบัดนี้ยังยืนเกาะแงหินอยู่ยังปากโรมตะโพนพร้อมๆกับเต้นอยู่เ ร, าเรา่าๆก่อนยังไม่เข้าไปในช่องนั้นหากจะคอยผลักทรงพวกลูกหากที่วิ่งกระเจิงหัวสุกหัวสุงเข้ามาให้เข้าไปในช่องทางนั้นตามลำดับสุดแต่ใครจะแล่นมาถึงก่อนนานอิขยิงอนุชาเชิดขาและชยัศบัดนี้ตั้งสติได้แล้วท้ามบางเหตุการณ์ที่เหมือนฝันาย ทั้งห้าช่วยกันไล่ต้อนพวกลูกหาให้หลบเข้าไปก่อนโดยไม่คำนึงถึงชีวิตตนเองปาก็แผลตกน ร, ร้องเร่งชุดได้ชุดผลักได้ผลักหรือบางขนาดก็ใช้เท้าถีบส่งหัวหูวใครจะพุ่งไปกระแทกแง่หินแต่รอฉีกยังไงค่อยว่ากันทีหลังแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือทุกคนจะต้องหลบเข้าไปในช่องที่ลึกที่สุดก่อนที่จะถูกน้าทันกระโจลลงมาเหมือนทะเลทัลมทับหัวนั้น จะฉุดกระชากให้ลอยละลิ่วลงไปมันเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นยังฉับพลันพันดุ่งชนิดที่เตรียมตัวรับกันไม่ทั้งทั้งที่เข้ามาหลบอยู่ในเขตที่คิดว่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วสมภาระข้าวของจะมีสิ่งใดชิ้นใดถูกน้ําพัดพาลิ่วลงไปด้วยหรือไม่ไม่มีเวลาที่จะตรวจสอบได้ในขณะนี้ไครฟ้าอะไรได้ก็จับย้อนส่งต่อๆกันเข้าไปในซอกลึก อ, อันน่าจะปลอดภัยกว่า เพราะสายน้ําที่ทะทางพรั่งครูลงมาเหล่านั้นส่วนใหญ่จะกระโจนข้ามชะงอนหินที่บางไว้และม้วนเป็นเกลียวพุ่งเชี่ยวกรากต่อไปเบื้องล่างแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าชะง่อนหินผาที่เปรียบเหมือนเพลิงบังอยู่นั้นมันจะถล่มพังลงมาในวินาทีใดจากความรุนแรงของน้ําที่เทกระหน่าอื้อองลงมาอย่างน่ากลัวเหล่านั้นมันไม่ใช่น้ํากธรรมดาใช่ไหมแต่เป็นน้ําที่แหกทานก พุ่งแยกแนวจากทิศทางที่เคยไหลยอยู่ตามปกติมาทางด้านที่ทุกคนพักนอนกันอยู่เจ้านายเข้าไปในโพรงนั่นก่อนเร็วไม่ต้องห่วงทางนี้นั่นอินจะขนของเข้าไปเองกับพยินเสียงครูพรานร้องบอกมาโบกมือไล่ตัวแกเองและทุกคนเปียกชุ่มไปด้วยน้ายิ่ชันหินลื่นเพราะเคยมีคราบตะไคร่มาก่อนและความสถทานสะเทือนของอาณาบริเวณแคบๆ ท, ที่ขึ้นมาอาศัยกันอยู่ ทำให้ทรงตัวไม่ถนัดซัมเพดานด้านบนส่วนที่ชะ ง, งกล้ำออกไปก็มีน้ำทะลักลงมาแสดงว่าชะง่อนหินบริเวณส่วนปลายนั้นถูกแรงน้ำประแทกแตกราวแล้วมันไหลอู่ราวกับท่อกระปายักษ์แตกหรือมิฉะนั้นก็เหมือนรอยปริแยกของเรือเดินสมุทรที่ถูกตออวีโดโดยมีน้ำพุ่งอัดลงมาตามรอยแตกราวนั้นเจ้าหนา้มีใครปฏิบัติตามคาสั่งของแก เพราะไม่มีใครทิ้งใครได้คงใช้สายเชือกประจำตัวผูกมัดกายว่ากันแง่หินที่คิดว่ามั่นคงที่สุดแล้วไายออกไปลำเลียงเข้าของสัมภาระที่ยังวางอยู่ในเขตอันตรายทยอยกันส่งเข้ามาเชษหาพยายามจะบอกให้น้องสาวคุณเล็กของคณะลบเข้าไปให้ได้แต่หล่อนก็ยังคงอยู่ในกลุ่มเสียงนั้นอย่างไม่ยอมถอยซ้ำอย่างตัวเปล่าไม่ได้มัดตนเองไว้เครื่องวิชาพันของน้อยเครื่องวิชาพัน หล่นชี้มือออกไปเสียงหลงเมื่อเห็นชุดหีบห่อเวชภัณธ์ของคณะกําลังกริ่งลุลุ้นไปตามกระแสน้ําที่ศาสตร์เข้ามาแล้วทํำท่าจะร่วงหลุดออกไปพ้นชะงอนหินนั้นขยินพุ่งปลาตามเข้าไปตะครุบไว้ราวกับไล่จับลูกรักบี้และบัตรนั้นเองทั้งหอเวชภันธ์ภายในการหุ้มมัดไว้ด้วยพลาสติกหนารวมทั้งตัวมันเองก็ทะลายลื่นออกไปปากทางอันมีสายน้ําพุ่งผ่านช่อง เป็นม่านทึบอยู่นั้นอย่างน่าวาสิวทุกคนร้องลั่นยังตกใจดารินทลาตัวตามพื้นที่นองเจิ่งน้ำอันสูงท่วมขึ้นมาเหนือเขา่าเข้าไปยังขยินผู้ ก, กำลังถูกน้ำพัดไหลออกไปยังปากทางอันมินเมนั้นทันทีโดยไม่มีใครคาดฝันถึงปากหลอนก็ตะโกนเรียกขยินช่วงวินาทีวิกฤตนี้ทุกคนตะลึงไปช่วยพลีตาเพราะทั้งขยินและดารินไม่มีสายเชือที่จะเหนี่ยวรัง้งหรือผูกมัดกายไว้เลย น้อยพี่ชายสองคนและเพื่อนอุทานเป็นเสียงเดียวแล้วก็พุ่งปลาออกไปพร้อมๆกันในขณะที่หนานอินผู้อยู่ใกล้ที่สุดปาปลายเชือกไปให้ขยินนั้นถึงยังไงก็ยังว่องไวตามธรรมชาติเอาตัวรอดของมันล่อยเมือกจากคอเวชภันคว้าเชือกไว้ได้ยังบุดวิดตัวเองไปค้อยตองแต่งอยู่ท่ามกลางกระแสน้าที่กาลังทุ่งแรงแต่เป็นด้านในของสายมานะ่านนส่วนดารินนั้น ความที่เป็นห่วงของหล่อนไม่ยอมปล่อยหีบเวชภัณฑ์อันเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของการเดินทางร่างของราชสกุลเสากริงตามหีบเวชพันฑ์นั้นพลัดหลุดร่วงไปพร้อมๆกับม่านน้ำที่พุ่งคลื่นคล้อมลงมาแล้วหายวักไปจากลำไฟฉายของเชฐ้าในพริบตานะทุกคนที่มองเห็นเหตุการณ์มีความรู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดไป